ก็กาบูชาพระรัตนตรัยก็กาบูชาครูบาจารย์ตังแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนถวายความกราบมายังพระอาจารย์สุรินทร์พระเทระพันเตเพื่อนสาธมิกเเริญพรมายังไม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนาะ จะนั่งสร้างจังหวะด้วยก็ได้นะถ้าใครรู้สึกนั่งเฉยๆแล้วอาจจะง่วงก็เป็นวิธีแก้ง่วงได้ทางหนึ่งเหมือนกันแต่บางคนจจะรู้สึกให้ฟังไปด้วยทาไปด้วยมันสับส น, นก็นั่งเฉยๆก็ได้นะก็เอาตามสบายแต่ว่าให้พยายามรู้สึกตัว บางคนอาจจะยังง่วงหลับง่วงนอนอยู่นะก็พยายามปลุกตัวเองให้ตื่นนะเวลานี้เนี่ยก็เรียกว่ายามสามเป็นเวลาที่เจ้าใจตะเนี่ยได้ตัดสรุปนะยามสามเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธนะเราก็ต้องตื่นนะไม่ใช่เราหลับไหลง่วงเหงาเอนอนนะก็ปลุกตัวเองให้ตื่น หลังจากที่เราได้ไหว้พระสดมน์สาธยายมน์ได้น้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะซึ่งเป็นที่เคารพ บ, บูชานะก็การได้น้อมระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะก็จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยนะมีความตื่นขึ้นมานะมีความสดชื่นขึ้นมา นะเรเียกว่าเป็นการยกจิตนะให้สูงขึ้นนะสูงจึงขึ้นจากความง่วงเหงานอนความไม่สบายกายไม่สบายใจเนาะก็ยกจิตให้สูงขึ้นนะซึ่งตรงนี้มันก็ตรงกับคาที่บอกว่ามนุษยนะ์มนุษยโ์โนศะผู้มีจิตสูงคำนะว่ามนุษย์นี่ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เลยนะ เกิดมาเนี่ก็เรียกแค่คนนะละคนปนเปนกันไปหมดนะทั้งความสุขความทุกข์ความเศร้านะและคนปนเปนกันไปหมดเรียกว่าคนเพราะนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ยกจิตให้มันสูงขึ้นนะก็ยังเรียกว่าคนนะปุถุชนคนธรรมดานะแต่ถ้าเรายกจิตขึ้นฝึกจิตให้สูงขึ้นนะก็เรียกว่ามนุษย์นะมนุษย์ก็คือผู้มีใจสูง นะท่านจารย์พุท ธ, ธาสนะได้แยกคำมณะบวกอุศยะนะมณะก็คือใจอุศยะก็คือใจสูงเพราะนั้นตอนนี้ก็ปลุกตัวเองให้ตื่นนะสังเกตไม่ว่าบางทีเราอยู่เฉยๆเราก็ไม่เคยตื่นเท่าไหร่แต่เมื่อเราได้เห็นภัยที่เกิดขึ้นจะเป็นอุบัติภัยก็ดี อย่างเรานั่งรถไประหว่างทางไปเจออุบัติเหตุนะบางทีกำลังง่วงหลับง่วงนอนตื่นขึ้นมาเลยโอ้เป็นอะไรใคร เ, เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเนี้ยอย่างช่วงสงกรานต์ที่แล้วเนี่ยนะตายกันไป $400 กว่าศพนะก็เรียกว่าตื่นตัวกันพอสมควรนะยิ่งเมื่อสองามวันมานี้นะเราคงจะทราบดีนะจากข่าวขาว ประเทศเนปาลใช่เกิดภัยธรณีพิโรธบางทีก็เรียกธรณีพิบัตนะิเรียกว่าแผ่นดินไหวนะเกิดแผ่นดินไหวประมาณอะไร 7.9 ริกเตอร์บริเวณชายแดนที่ติดกับอินเดียนะแต่มันก็ส่งผลสะเทือนไปถึงเมืองหลวงเา ก, ก็คือกรุงกัดมันดุเนะที่วที่ทราบก็ มีคนตายไปแล้วประมาณ 3,000 ันกว่าคนอันนี้เป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์เราเนี่ยหรือคนเราเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางป้องกันอยู่นะโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยนะอย่างเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะกรมอุตุก็พยายามที่จะพยากรณนะ์ว่าจะเกิดพายุฤดูร้อน นะก็ปรากฏว่าให้ระมัดระวังทางภาคเหนือก็ดีทางภาคอีสานก็ดีขนาดระมัดระวังแล้วมันก็ยังวาทีป้องกันไม่ได้เหมือนกันนะเท่าที่ทราบ ม, มีบางจังหวัดนี่ลูกเข็บตกมาลูกเริ่มเลยนะขนาดเท่าผลมะนาวนะที่ทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลาพูนก็พายุฤดูร้อนนะก็ทำให้สิ่งก่อสร้างต่างต่างนะเสียหายไป อันนั้นเป็นภัยที่เกิดขึ้นภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนานๆทีนะบางทีมันไม่เกิดกับตัวเราเราก็รู้สึกเฉยๆ เ, นะเรายังไม่สะดุง้งไม่ตื่นนะยังหลับไหลอยู่แต่มันมีภัยชนิดหนึ่งเป็นภัยเงียบเป็นภัยที่น่ากลัวแต่ว่าคนไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่ภัยชนิดนี้เนี่ยมันอยู่ในใจเราอะ นะก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจความเครียดนะความอึดอัดขัดเคืองนะหรือแม้แต่เมื่อคืนถ้าใครนอนไม่หลับนะก็ถือว่าเป็นภัยชนิดหนึ่งเป็นภัยเงียบนะที่เราไม่ค่อยได้รู้จักหรือไม่ค่อยได้มองเห็นนะคนส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยเห็นภัยตรงนี้หรอก นะมีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งสนุกสนานเพลิดเพลินนะไปกับนะสิ่งหลอกล่อนะของโลกนะเรียกว่ารดอร่อยของโลกนะรูปสวยๆเสียงเพลานะๆกลิ่นหอมๆรสชาติอร่อยนะกายที่สัมผัสนุ่มนิ่มใจที่นึกคิดไปนะพูดง่ายๆก็คือเราเราหลง หลงในรสชาติของโลกความอร็จอร่อยความเพลิดเพลินความสนุกสนา น, นาเราคิดว่าไอเนียมันสุกละมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องกอบโกยเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปเสพให้มากๆากหรือแม้แต่อารมณ์าบางคนนีน่มีอารมณ์โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทต้องแก้แค้นให้ได้ นะอันนี้ก็เป็นภัยที่เรามองไม่เห็นหรือเราไม่เคยมองนะแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในอารมณ์ในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเข้าไปอยู่ในวงจรเข้าไปอยู่ในการกำกับของมันภัยชนิดนี้ก็คือความทุกขนะ์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนะในจิตในใจของเรานั่นเองนะเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวนะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่ยเห็นกัน ภัยชนิดนี้เนี่ยเกิดได้ทุกเวลานะไม่เลือกวันไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกว่าจะเป็นใครก็ตามเจ้าพญาหมหากษัตริย์ศึกจะเป็นคนธรรมดาเป็นนักบวชเป็นพระอยู่ในวัดเป็นชีอยู่ในวัดเป็นญาติโยมผู้หญิงผู้ชายมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนาเป็นภัยร้ายนาที่อยู่ในจิตในใจ นะที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ค่อยมองเราไม่ค่อยเห็นนะที่ไม่เห็นเพราะว่ามันติดนะติดในรสชาตนะิติดในความเพลิดเพลินนะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะเป็นเรียกว่าเป็นเหยื่อล่อนะของของมารพูดถึงมารส่วนใหญ่ก็จะไปคิดถึงอะไรคิดถึงมีตัวมีตนจริงๆมารก็คือสิ่งที่อยู่ในจิตในใจเรานะ นะที่มันมาล่อมาหลอกให้เราเพลิดเพลินหลงไหลนะในความสุขนะเรียกว่ากามสุขนั่นเองนะกามนะก็คือความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเราได้เราก็ชื่นชอบเราก็พอใจแล้วก็ติดอกติดใจไอ้ตรงเนี้ยไอ้ความติดอกติดใจนี่แหละนะมันก็เลยมองไม่เห็น เรียกว่ามันจมเข้าไปอยู่ในรสชาตนะิในการสัมผัสนะกับโลกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยน้อยคนนักนะที่จะมองเห็นที่จะมองเห็นภัยชนิดนี้มีแต่ผู้ที่เจริญสติเท่านั้นแหละนะผู้ที่เจริญสติเนี่ยนะจะเปิดตาในขึ้นมาแล้วมองเห็นภัยที่น่ากลัวที่มันอยู่ใกล้ใจละามากที่สุดเลยใกล้ตัวรมากที่สุดเลยแล้วมันเกิดได้ทุกเวลา้วยนะ เกิดเวลาไหนเวลาที่เราไม่รู้สึกตัวลืมเนื้อลืมตัวไปชั่วขณนะบางทีก็เป็นภัยเล็กเล็กเนะช่นเราเสียใจเราไม่ได้ของที่ได้ดังใจนะก็เสียใจเล็กเล็กนะบางทีมันก็เป็นภัยขนาดใหญ่นะโดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งนะบางคนนอนไม่หลับ นะเมื่อคืนนะบางคนนอนไม่หลับคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ห่วงเรื่องนู้นห่วงเรื่องนี้กลัวมาอยู่วัดป่านี่มันเงียบมันมืดบางคนอยู่ที่บ้านนี่นอนเปิดไฟใช่ไหมมาที่นี่ดับไฟหมดเลยนะจิตที่มันไม่ได้ถูกฝึกที่มันไม่เห็นเนี่ยมันก็หลอกเอาแล้วก็บอกว่าผีจริงๆผีน่ก็คือจิตที่มันหลอกตัวเราเองนั่นแหละ ไอ้เนี่ยภัยที่น่ากลัวนะตรงเนี้ยเราเห็นมันไหมเราเห็นภัยอันนี้ไหมเรารู้จักแต่ภัยข้างนอกนะอุบัติเหตุอุบัติภัยวาตภัยอุทกภกัยนะหรือว่าธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอันนั้นเราเห็นได้ง่ายแต่ภัยที่เกิดจากการไม่รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิด ความคิดปรงแต่งนี่แหละตัวเนี้นะภัยนี้เป็นภัยร้ายนะอัตมาใช้คาว่ามหันตภัยเลยเป็นภัยใหญ่ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่มีสุขมีทุกข์นาบ่อยๆแล้วถ้าเราไม่เห็นเนี่ยมันจะเกิดเป็นเรียกว่าเป็นนิสัยนิสัยที่จะโกรธง่าย นิสัยที่จะขี้อิจฉาลิษย่าง่ายนิสัยที่จะฟุ้งซ่านง่ายนะอันนี้เป็นภัยที่น่ากลัวมากเลยและภัยนีย้คนที่ค้นพบค น, คนแรกนะก็คือพระพุทธเจ้าคนอื่นกขาเห็นว่าไอ้นี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าลำภั ย, ล ำ, ยลำพันอะไรพวกนี้เป็นธรรมดา มันเกิดเดี๋ยวมันก็หายแต่เจ้าใจตะนี่เห็นแล้วท่านไม่นิ่งเฉยท่านบอกมันเมื่อมันมีแก่มันก็ต้องมีไม่แก่เมื่อมันมีทุกข์มันก็ต้องมีไม่ทุกข์นะคือไม่ยอมจำนนแล้วมองเห็นภัยการใช้ลมหายใจเนี่ยก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่า <c oughs> มันอาจจะเบานะการเคลื่อนไหวของลมเนี่ยมันเบา เหมือนบอกเขาบอกว่านักคนที่ฝึกยิงธนูเนี่ยเริ่มต้นเขาจะใช้เป้าใหญ่ๆก่อนนะไม่ใช้เป้าเล็กๆนะเป้าใหญ่ๆยิงให้มันได้โดนก่อนนะถ้าชำนาญก็เป้าจะเล็กลงเพราะนั้นการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน4เนี่ยนะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คืออาศัยการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเป็นเป้าใหญ่ๆก่อนเรียกว่าเล่นของที่มันชัดๆก่อน การยกไม้ยกมือก็ดีการเดินจงกรมก็ดี น, นี้เป็นรูปแบบนาของการเริ่มต้นฝึกใหม่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนหรือคนที่เรียนรู้มาแล้วก็ใช้ได้เหมือนกั น, นโดยอาศัยการเคลื่อนไหวของกาย เ, ยเป็นอุปกรณ์นในการที่จะปลุกความรู้สึกตัวปลุกสติที่มีอยู่แล้วสตินี้เรามีอยู่แล้วนะ แต่ที่มันมีเนี่ยมันเป็นสติสามัญเป็นสติธรรมดานะซึ่งเราจะใช้ในการในงานใช้ในการพูดคุยใช้ในการทากิจวัตรประจาวันอะไรต่างๆแต่สติตัวนี้ความรู้สึกตัวตัวนี้มันยังไม่เท่าทันกับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดที่มันไวมากๆไวยิ่งไปสายฟ้าแลบนะเขาบอกว่าแสงนี่ไวที่สุดในโลกแล้ว ความคิดไวกว่าแสงอีกแต่มันมีสิ่งที่ไวกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวอันนี้เป็นธรรมชาติที่มันมีเป็ น, นกลไกที่มันมีที่พุทธองค์ได้ค้นพบแล้วก็นํามาพูดนํามาเผยแพร่นํามาสอนนำมาถ่ายทอดนะจน เ, เขียนเป็นมาหาสติปฐานสูตรสมัยก่อนยังไม่มีการเขียนนะแต่ว่าแล้วยางหลังก็เอามาเขียนกันสมัยก่อนก็สอนกันปากต่อปากตัวต่อตั ว, ตว เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามาที่นีนะ่เราได้มีโอกาสฝึกนะจะเป็น <c oughs> พระที่อยู่ที่นี่ก็ตามแม่ชนะีหรือว่าคนในวัดนะแล้วก็กลุ่มที่มาปฏิบัติก็นะเราก็จะทำเรื่องนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อเปิดตาใจให้มองเห็นภัยที่น่ากลัวที่มันอยู่ใกล้ใจเรามากที่สุดเมื่อเราเห็นภัยแล้วเราจะได้แก้ไขป้องกัน นะฮาที่จะปล่อยไปตามยะถากรรมเขาเรียกว่ายะถากรรมนะก็คือทุกบัง่งสุขบั่งก็ไม่เป็นไรชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้เองนะ น, นิสัยเราเป็นอย่างนี้เลยเองเราเคยขี้โกรธเราก็โกรธอยู่อย่างเนี้ยนะอยู่วัดมาห้าปี10 ป, ปีก็ยังโกรธเหมือนเดิมยังอิจฉาเหมือนเดิมนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้พัฒนานะไม่ได้ภาวนาคําว่าภาวนาคือพัฒนาเพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ยเราพัฒนาด้วย การเจริญสตินะในรูปแบบนี้เราก็ทราบกันแล้วเนาะการยกมือสร้างจังหวะการเดินจงกรมนะฮสำหรับคนใหม่เนี่ยเมื่อวานคงได้ประสบการณ์พอสมควรนะการเรียนรู้ธรรมะการเห็นธรรมะเนี่ยไม่ได้เห็นดวงแก้วไม่ได้เห็นแสงสว่างไม่ได้ว่าทำแล้วบสบายโอ้โหมันปวดมันเมื่อยมันง่วงเหงาเหานอน มันฟุ้งซ่านมันเบื่อนั่นแหละคือธรรมะเป็นธรรมะที่แสดงออกมาทั้งอาการของกายอาการของใจถ้าเราไม่เห็นก็คือเราจมไปอยู่ในอาการเหล่านั้นเช่นมันปวดมันเมื่อยเราก็จะโอ้ไม่ไหวแล้วนะบางคนก็ถึงกับเป็นไข้ไปเลยก็มีเมื่อวานนะบางคนก็ หัวตัวร้อนขั้นเนื้อขั้นตัวอันนี้เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนปรับตัวที่จะเรียนรู้นะเพราะนั้นการเห็นธรรมะการรู้ธรรมะก็คือเห็นสิ่งเหล่านี้จับของหยาบๆไปก่อนจากการเคลื่อนการไหวเนี่ยถ้าเรามารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี่ก็คือการเรียกให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจเนี่ยมันมันคุ้นชินมันหลงไปกับความคิดมาไม่รู้เท่าไหร่ ตั้งแต่เล็กตั้งแต่ออนต่ออกนะถ้าพูดถึงชาติที่ผ่านมาโอ้โหมันไม่รู้กี่ชาตินะเพราะนั้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันสั่งสมอยู่ในจิตในใจเพราะนั้นการที่เรากลับมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวก็คือการที่เราปลุกความรู้สึกตัวรู้สึกสมยยัมผยสใ้มันตื่นขึ้นตาใจใมันเปิดขึ้นให้มองเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายของเรา เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราและเราจะสังเกตนะความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดนะเดี๋ยวมันมามันก็ไปนะทุกบางอย่างเนี่ยมันก็มาบ่อยนะเะโดยเฉพาะอย่างความคิดอย่างเงี้ยความคิดปรุงแต่งมาบ่อยมาแล้วก็ไปนะถ้าเราไม่รู้นะเราก็รู้สึกลาคาน ร, รู้สึกหงุดหงิดนะหรือบางทีปวดเมื่อยนะปวดเมื่อยความทุกข์ทางกาย ส่งผลไปความทุกข์ทางใจขึ้นมาเหมือนกันเช่นหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะหายปวดเมื่อไหร่มันจะหายง่วงนะเมื่อวานก็มีหลายคนพยายามจะให้มันหายง่วงแต่ไม่ไม่หายหรอกแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเกิดตลอดเวลาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะความง่วงก็ดีความปวดความเมื่อยความเบื่อนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาให้เราดูเราเห็นมัน ถ้าเราไม่เห็นเราก็จมไปอยู่ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นภัยแล้วเราก็ออกมาจากภัยเขาบอกภิกษุคือผู้เห็นภัยนะเพราะฉะนั้นคำว่าภิกษุนี่คือผู้เห็นภัยเห็นภัยอะไรภัยในวัฏสงสารคำว่าวัฏสงสารนี่ไม่ใช่เรื่องของการที่ไปไกลชาตินู้นชาตินี้อันนั้นก็ใช่นะแต่มันมีวัฏสงสารในจิตในใจของเราก็คือความคิดปรุงแต่งมันไม่จบไม่สิ้นไอ้ภัยเนี้ยน่นากลัว เป็นภัยที่เราจะต้องอาศัยตาในคือใจเนี่ยมองให้เห็นดูมันซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ยทำในรูปแบบซ้ำๆเนี่ยก็เพื่อหเห็นภาพนี้ชัดเจนขึ้นให้ตามันเปิดขึ้นความสว่างสวยัยภาย ใ, ในจิตในใจมันจะได้ชัดเจนคำว่าสว่างสวัยไม่ใช่มันเกิดเป็นแสงโพ่งขึ้นมาไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าเราเห็น เห็นกายเห็นใจของเราที่มันเคลื่อนมันไหวมันเปลี่ยนแปลงมันแปรปลวนมันไม่อยู่ในอำนาจของเรานี่แหละน่ะคือความจริงที่มันแสดงมันปรากฏความจริงนี้มันมีอยู่แล้วน่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาดูมันเมื่อเราไม่ไปดูเนี่ยเราก็ทุกข์เราก็เศร้าเราก็โศกเมื่อมันไม่ได้ดั่งใจนะเราก็หงุดหงิดลำคาญนะบางคนก็ติด ติดกาแฟเมื่อวานมีอยู่คนหนึ่งบอกโอ้ปวดม่วงนอนอยากได้กาแฟอาจารย์มีไหมนะขอสักแก้วหนึ่งอันนั้นเรียกว่าปลุกให้ตื่นด้วยคาเฟอี น, นอันนี้เราไม่เอาเราจะปลุกตื่นด้วยการเคลื่อนการไหวด้วยสติด้วยสัมปชัญญะซึ่งมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปพึ่งบางคนพึ่งนิโคตี น, นดุดบุรี นะบางคนพึ่งแอลกอฮอล์เวลามันเครียดนะก็เรียกอะไรนะเครียดจนเครียดกินเหล้าอะไรเงี้ยนะส่วนคนรวยเป็นไงรวยเครียดช้อปปิ้งใช่ไปช้อปปิ้งให้วันเพลินๆ น, น, นะเรียกว่ากลบเกินไปวันวันหนึ่งเพราะนั้นการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากๆโดยส่วนใหญ่นะเพราะไม่เห็นไยตรงนี้ ไม่เห็นภัยในใจนี้มันอยู่ภัยร้ายที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจคือความไม่รู้เท่าทันความคิดรงแต่งนี้เองเพราะนั้นการที่เราได้มาอยู่วัดป่าสุกโตได้มีโอกาสมาฝึกจเจริญสติเพื่อเปิดตาในมองเห็นภัยแล้วก็หาทางออกจากภัยออกจากทุกขนั้นนะอย่างตะกี้นี้ที่เราได้สวดสวดมนต์ไปนะสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้เห็นทุกข์นะออกจากทุกข์นะอันนี้ก็คือการมองเห็นภัยแล้วพยายามหาทางออกถ้าเราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นภัยมันก็ไม่ออกมันก็จมอยู่ในทุกข์นั่นแหละนะเหมือนก็บอกอะไรนะนกไม่เห็นฟ้าใช่ไหมปลาไม่เห็นน้ำนะไส้เดือนไม่เห็นดินนอนไม่เห็นคู่คนไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโลก จมอยู่ในทุกข์จมอยู่ในโลกเพราะไม่เห็นทุกข์เห็นภัยเนเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นทุกข์เห็นภัยอย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อวานหลายคนเห็นแล้วโอ้โหกายเราเนี่มันก้อนทุกข์จริงๆนะเดินยืนนั่งนอนก็ทุกข์ปวดเมื่อยนะจิตมันก็นึกคิดต่างๆนา น, นานฟุ้งซ่านไปนะเห็นตรงเนี้ยบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเกิดความเอื่มละอาเกิดความเบื่อขึ้นมาเบื่ออะไรเบื่อที่มัน คิดอะไรกันนักกันหนานะมันก็จะเกิดการปล่อยการวางการปล่อยวางในที่นี้หมายถึงว่ามันรู้เท่าทันแล้วมันไม่คิดตามไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมารู้สึกตัวกลับมาอยู่ที่ความเป็นปกติความปกติของใจนี่แหละนะนี่เป็นธรรมาชาติดั้งเดิมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในจิตในใจของเราหลายคนบางที่บางแห่งก็สอนบอกไม่ต้องทาอะไรนะ ธรรมะมันมีอยู่แล้วนะความเป็นปกติมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรอันนั้นเขาก็พูดไปนะแต่ว่าของเราเนี่ยนะของมันมีอยู่แต่ถ้าเราไม่ขุดคน้นนะก็เหมือนกับแร่ทองก็ดีเพชรก็ดีมันมีอยู่ในโลกเนี้ยแต่ถ้าเราไม่ขุดค้นขึ้นมามันก็ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เหมือนกันความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะก็มีอยู่แล้ว แต่ถ้าเราไม่พัฒนาไม่ทำให้มันชัดเจนให้มันคมชัดขึ้นนะด้วยการฝึกฝนฝึกฝืนนะคนใหม่ๆนี่ก็ฝึกฝืนหน่อยทวนกระแสนหน่อยนะเคยสบายนะเคยมีความสุขมาอยู่ที่นี่ก็มีความทุกขนะ์ทุกจากกายทุกจากใจความทุกนี่แหละมันจะสอนให้เราเข้มแข็งอานะจารย์ไพศาลเคยพูดบอกไว้บอกว่า เมื่อเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมประตูที่จะพ้นทุกข์อยู่ตรงทุกข์นั่นแหล ะ, ละเพราะนั้นอย่าไปกลัวมันนะความทุกข์เนี่ยลุยไปเลยแต่ก่อนจะลุยนี้ต้องมีเครื่องมือหน่อยนะไม่ใช่ลุยแบบหมู่ะลงฟันเนีใช้ความรู้สึกตัวนี่แหละใช้สติเนี่ยเป็นตัวผ่านไอ้ตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นไฟเป็นแสงสว่างที่จะมองเข้าไปในที่มืดในจิตในใจของเรา เขาบอกว่าพระจันร์นี้สว่างกลางคืนใช่ไหมพระอาทิตย์สว่างกลางวันแต่สติสัมปชัญญะสว่างทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะใช้ส่องมองหเห็นภยัยมองหเห็นเหตุแห่งภัยต่างๆแล้วก็หาทางออกซึ่งเมื่อเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่นั่นะมันออกจากทุกข์แล้วทีละนิดทีละหน่อยที่ตะกี้เนี่ยเราสาธยายมน ให้มีสติไปในกายทุกเมื่อถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ภาษาหนังสือเนี่ยนะมันยาวแต่เพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัวมันถอนตัวออกแล้วเราไม่ไปตามความคิดเราไม่ไปตามอารมณนะ์นันถอนตัวแล้วเหมือนกับปล่อยวางเหมือนกั น, กนบอกให้ปล่อยให้วางเราก็พยายามจะไปปล่อยไปวางเพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัวน่ะมันปล่อยวางไปแล้ว เพราะนั้นให้เราทำตรงนี้บ่อยๆโดยเฉพาะทำในรูปแบบทำให้มากๆนะแล้วก็สังเกตมาตะกี้นี้ที่เราสาธยายมนการมีสติในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการพูดการนิ่งการอุจจาระปัสสาวะการนุ่งห่มสังกาติจีวรการบินทบาทเนี่ยคือ พยายามเก็บตกด้วยในกิจวัตรประจำวันเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยถ้าจะมีผลนะต้องทำให้ต่อเนื่องนะก็คือตั้งแต่ตื่นยันหลับตื่นยันหลับในที่นี้คือทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะบางคนมาใหม่ๆนี่โอ้ตั้งใจทำดีนะเวลาปฏิบัติในรูปแบบทำดีแต่พอเป้งนะหมดเวลาลีเข้าไปหากันเลยคุยกันทันทีเลย ตรงนี้มันทําให้เกิดรูรั่วทําให้ห่วงโซ่ของสติเนี่ยมันขาดสติที่เราฝึกมา3ามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงหายฟุ๊บไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันละเอียดอ่อนมากนะพราะฉะนั้นถ้าให้ดีเนี่ยเราพยายามเรียกว่าปลีกวิเวกปลีกวิเวกก็คือตัวใครตัวมันอยู่กับตัวให้มากๆถ้าไม่มีเรื่องจําเป็นพยายามงดการพูดการคุยคุยน้อยๆเท่าที่จําเป็น นะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเพราะนั้นแม้แต่เลิกจากรูปแบบแล้วเราก็พยายามที่จะรู้ระลึกรู้สึกตัวนะกับการเดินไปสาธาร้าการตักอาหารการเคี้ยวนะการกินการดื่มนะตรงนี้มันจะทาให้การเจริญสติของเรามีความต่อนเนื่องในขณะที่ปฏิบัติมันก็จะมีอุปสรรคต่างๆที่เรียกว่านิวรนอันนี้ไม่เป็นปัญหานะ เราแรกๆใช้ถ้ามันยังไม่มีสติใช้ขันติไปก่อนนะใช้ความเพียรลุยมันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเบื่อก็ทำไม่เบื่อก็ทำรู้ก็ทำไม่รู้ก็ทำทำไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่รู้คือมันเบลเๆลทำไปแล้วมันเบลเบลพลาพลาๆเนี่ยหยุดสักนิดหนึ่งแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างนั่งสร้างจังหวะไปนานๆเนี่ยบางทีมันเบลใช่เราก็หยุดสักนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้มันสดชื่น ความรู้สึกตัวให้มันสดสดใหม่ๆนะตรงเนี้ก็อาศัยความเพียรความพยายามความอดทนเนาะแล้วก็อาศัยความตั้งใจความศรัทธาที่เรามีเนี่ยประกอบกั น, นก็จะทําให้การเจริญสติการฝึกของเราเนี่ยมันมีความต่อเนื่องไปและถ้าเราทําอย่างนี้บ่อยๆเรื่อยๆมันเห็นภัยเห็นความทุกข์ ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจชัดเจนขึ้นแล้วมันจะละเอียดละออขึ้นตัวสติมันจะพาไปเองนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้นะในเช้าวันนี้นะก็ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างยิงเอาคุณของพระศรีรัตนตรยัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเรา พธรรมคือสัจธรรมความจริงนะที่แสดงที่ปรากฏทั้งภายในตัวเราและนอกตัวเรานะที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในอำนาจของเราพระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติของเรานะทุกเวลานาทนะีและด้วยความศรัทธาความเพียรความตั้งใจด้วยสติด้วยปัญญา ไม่ท้อถอยขอให้เป็นพระวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านได้ถึงเส่งความพ้นทุกข์มีความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หวังในเบื้องหน้าในระวันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร